วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส5ห้าภูมิพาพันธ์พุทธศักราชสอง9ันห้าร้อยหกสิบเก้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบาิษัทวผู้ฝ่ายธรรมผู้ปรารถนาวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา มาปฏิบัติรมเพื่อให้เกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตามลำดับธรรมะที่จะมาฝากท่านในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าสัมมาสังกปรความดำริชอบสัมมาสังกปรความดำริชอบคืออะไร ก็คือความคิดที่ถูกต้องความคิดที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญของจิตใจและนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงของจิตใจความคิดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ิเริ่มให้เกิดการพูด และการกระทำตามมาถ้าคิดดีก็จะพูดดีทำดีผลก็จะเป็นผลที่ดีคือความสุขความเจริญของจิตใจถ้าคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีผลที่จะตามมาก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆของจิตใจ พระพุทธเจ้าจึงสงสอนให้ชาวพุทธเราให้มันจเจริญสัมมาสังคปหมันคิดในทางที่ดีคิดในทางที่ถูกที่ควรคิดในทางที่จะนำไปสู่ความสุขความจเจริญความสุขนาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสงสอนให้เราคิด สามประการด้วยกันที่เรียกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่เราควรจะคิดกันอยู่เรื่อยๆก็คือ 1. ให้คิดละการกระทำบาปทั้งปวง 2. ให้คิดสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. ให้คิดชำะระซักพ้อจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าสามารถคิด อยู่ในเรื่องสามข้อนี้ได้ก็จะนำไปสู่การพูดการกระทำที่จะท า, าให้เกิดความสุขความเจริญแก่จิตใจทำให้ความทุกข์หมดสิ้นไปจากจิตใจได้ข้อที่หนึ่งคือให้คิดละการกระทำบาปทั้งปวงถ้าเราคิดไม่ทำบาปเราก็จะมีการพูด ที่ไม่ไม่ไม่ไม่บาปแล้วก็มีการกระทำไม่บาปเช่นถ้าเราคิดไม่ฆ่าสัตว์เราก็จะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเราคิดไม่ลักทรัพย์เราก็จะไม่ไปทำการลักทรัพย์ถ้าเราคิดไม่ประพฤติผิดในการมเราก็จะไม่ไปประพฤติผิดในการมถ้าเราคิด ไม่พูดปดเราก็จะไม่พูดปดเราก็จะคิดแต่การพูดความจริงเราก็จะพูดความจริง <c oughs> ถ้าเราคิดไม่ดื่มสุรายาเมาเราก็จะไม่ดื่มสุรายาเมาเป็นต้นเมื่อเราไม่มีการกระทำบาปโทษที่เกิด จากการกระทำบาปก็จะไม่เกิดขึ้นมาในใจของพวกเราโทษของการกระทำบาปคืออะไรก็คือความทุกข์ใจนั่นเองพอเวลาเราได้ทำบาปขึ้นมาปับ๊บใจเริ่มทุกข์ขึ้นมาทันที <c oughs> วิบากเกิดขึ้นทันทีวิบากเกิดจากการกระทำบาปนี้มีอยู่สามขั้นตอนด้วยกัน <c oughs> ขั้นตอนที่หนึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ทำบาป ถ้าเราไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในการมไปพูดปนใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีใจเกิดความหวาดกลัวกลัวความกลัวโทษที่จะตามมามีความเครียดมีความกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นต้นอันนี้เป็น วิบากกรรมมันแรกที่เกิดจากการกระทำบาปแล้วขั้นที่สองหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <c oughs> ถ้าบาปที่ได้สะสมไว้ในใจนี้มีมากกว่าบุญบาป ก, ก็จะพาให้เราไปเกิดในอบายในอบายใดอบายหนึ่งมีอยู่สี่ที่ด้วยกัน ขึ้นอยู่กับเหตุของการกระทำบาปว่าเราทำบาปด้วยเหตุผลอันใดถ้าเราทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นบาปเราก็จะไปเกิดเป็นเดชะฉานถ้าเราทำบาปด้วยความโลภอยากได้อะไรมากๆเราก็จะไปเป็นเปรต เ, เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย <c oughs> ถ้าเราทำบาปด้วยความกลัว เราก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวคืออสุจละกายและถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟันเราก็จะไปตกนรกกันเป็นดวงวิญญาณที่ไปอยู่ในนรกนี่คือผลที่จะตามมาขั้นที่สองหลังจากที่เราได้กระทำบาปสะสมมาอยู่เรื่อยๆ พอเวลาตายบาปที่เราทำนี้มีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงเราไปอบาบัยทันทีและหลังจากที่เราใช้บาปหมดแล้วเมื่อเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมาเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างไม่สมประกอบอาการไม่ครบสามสิบสอง มีโรคภัยเบียดเบียนมีอายุสั้นมีฐานะยากจนเป็นต้นนี่คือวิบากที่จะตามมาสำหรับผู้ที่กระทําบาป ก, กันพระพุทธเจ้าทรงมียานอย่างทราบถึงที่ไปที่มาของสัตว์โลกทีท่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ยังทรง รู้สาเหตุของการไปเกิดตามที่ต่างๆของสัตว์โลกจึงสอนให้หลีกเลี่ยงการไปเกิดในภพที่ไม่ดีหลีกเลี่ยงการไปเกิดในอบายทั้งสี่ด้วยการราการกระทำบาปการจะลดการกระทำบาปได้ก็ต้องมีสังมาสั ง, สงมาสังกโปมีความดำริชอบอยู่เรื่อยๆมัน คิดอยู่เรื่อยๆเราจะไม่ทําบาปเราจะไม่ทําบาปเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่รักทรัพย์เราจะไม่ประพฤติผิดในกามเราจะไม่โกหกหลอกลวงเราจะไม่ดื่มของมึนเมาที่เป็นเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถควบคุมการกระทําบาปของเราได้ให้คิดอย่างนี้แล้วก็ให้คิดถึงวิวบากที่จะตามมา ถ้าทำแล้วเราจะได้ความทุกข์ในเบื้องต้นตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอบายพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะกลับมาเกิดด้วยความทุกข์ยากลำบากอาภัพวาสนาถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะมีฮิริโอตตปะมีความละอายในการกระทำบาและมีความกลัวของวิบากของบาปที่จะตามมา มันก็จะทำให้เรานี่ไม่กล้าทำบาก น, นี่คือความคิดที่เรียกว่าสัมมาสังกโปข้อที่หนึ่งให้เราคิดสอนใจเราอยู่เรื่อยๆให้เราละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงพอเวลาที่เราจะกระทำบาปปั๊บเราก็จะได้มีอะไรมาเตือนใจ ท, ทันทีอย่าทำนะทำแล้วมีแต่เรื่องไม่ดีตามมาท้งนั้นนะมีความทุกข์ตามมา มีอบายตามมามีการํำไปเกิดในในสถานะที่ทุกข์ยากลำบากยากจนถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะหลีกเลี่ยงการกระทำบาปได้นี้คือสัมมาสังกรปร ค, ความดำริชอบข้อที่หนึ่งคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงข้อที่สองเรียกว่า ให้สร้างให้คิดสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าจะไปทาบุญที่นั่นจะไปทาบุญที่นี่จะไปช่วยคนนั้นจะไปช่วยคนนี้จะแบ่งปันสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เรามีอยู่ให้กับคนนั้นคนนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้ให้คิดแต่การทาความดีต่างๆไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นการให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของท่านั้น จะเอามีอะไรที่เราสามารถให้ได้นอกจากเงินทองเราก็ให้ไปได้เช่นเรามีวิชาความรู้เคยมีเคยเป็นครูเป็นอาจารย์มาแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วก็สามารถเอาวิชาความรู้ที่เราได้รู้มานี้เอามาสั่งสอนให้กับผู้ที่อยากจะเรียนรู้โดยไม่คิดเงินทองก็เป็นวิทยาทานหรือจะให้อภัยก็ได้ การให้อาภัยก็เป็นการให้คนที่เาเราที่เราอาฆาตพยาบาทไม่ต้องมาทุกกับการอาฆาตพยาบาทของเราใครทำร้ายเราใครทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจเราไม่คิดจะไปล้างแค้นเขาเราให้อาภัยเขาไปเราให้ความสงบให้เขาไม่ต้องกังวลกับการกระทำล้างแค้นของเรา ใจของเราก็จะได้สงบใจของเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำบาปเราก็จะได้ปิดประตูาบายได้หรือถ้าเรามีธรรมะก็ให้ธรรมะก็ได้ให้กับคนที่เขามืดบอดในทางธรรมไม่รู้ผิดถูกดีชั่วไม่รู้สุขรู้ทุกข์ว่าเกิดจากอะไรถ้าเขามีความทุกข์มาขอคาปรึกษา ก็ให้ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าไปก็ได้อันนี้ก็เป็นการให้ธรรมทานให้เขาหูตาสว่างใจที่มืดบอดจะได้ไม่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับตนเองใจใจก็จะได้สง บ, บระงับได้วิธีการให้มีมีหลากหลายวิธีด้วยการวิธีการทาบุญหรือจะให้ด้วยการให้เวลาและกาลัง แรงกายของเราก็ได้เช่นไปเป็นจิตอาสาไปรับใช้สังคมไปช่วยหรือบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเขาเองได้เรามีเวลาว่างพอที่จะไปทำคุณทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่งก็สามารถไปทำได้สามารถเป็นการทำบุญทําทานเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลได้อา น, นิสงส์ของการทำบุญ ผลที่จะตามมาก็เหมือนกับบาป ท, ที่จะตามมามีสาขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเวลาที่ได้ทำบุญแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มเอิใจมีความสุขมีความอิ่มเอิใจมีความสบายใจบางครั้งก็ปลื้มปิติเกิดน้ำตาร่วงก็มีกอดขนลุกขึ้นมาก็มีเวลาที่เราได้ทำอะไรที่เราเห็นเกิดคุณประโยชน์กับผู้ที่เขา เขาได้รับการช่วยเหลือจากเราไป เ, าเกิดความสุขขึ้นมาทันทีอันนีขน้ขั้นแรกของการทําบุญผลของการทําบุญท่านที่สองของผลการทําบุญก็คือหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้ว <c oughs> ถ้าบุญที่เราทํามีมากกว่าบาปที่เราได้ทำยิ่งถ้ า, ถ า, ถาในกรณีแรกคือเราไม่ทําบาปเลยแล้วเรามีแต่ทําบุญอย่างเดียว อย่างนี้ร้อยทั้งร้อยเมื่อตายไปดวงวิญญาณของพวกเราก็จะไปสู่สุคติกันไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆชั้นสูงชั้นต่ำขึ้นอยู่กับการทำบุญมากน้อยําบุญมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสวรรค์ที่มีความสุขมากทำบุญน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นต่ำที่มีความสุขน้อยกว่าแต่ก็เป็นสวรรค์มีความสุขเหมือนกันเหมือนโรงแรมที่มีดาวไม่เหมือนกัน บางโรงแรมก็มีดาวเดียวบางโรงแรมก็มีห้าดาวก็เป็นที่พักอาศัยอยู่ได้สุขสบายหลบดภัยต่างๆได้ไม่มีความทุกข์มาให้กังวลแต่การบริการน่นอาจจะมีความแตกต่างกันบริการอาจจะไม่ดีถ้าไปมีดาวตัมีดาวน้อยถ้ามีดาวมากก็จะมีบริการที่ดีกว่าอันนี้ก็เกิดเกิดจากการกระทาบุญ ของเรานี่แหละทำมากทำน้อยเช่นทำร้อยละเท่าไหร่ทำร้อยละสิบก็จะได้สวรรค์ชั้นร้อยละสิบทำร้อยละห้าสิบก็จะได้สวรรค์ชั้นร้อยละห้าสิบถ้าทำร้อยทั้งร้อยเลยก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราเวลาตายไปดวงวิญญาณของเราจะไปสู่สุคติ จะไม่ไปสู่ทุกติไม่ไปสูอ่อรไภเพราะบุญนี้จะมีมากกว่าบาป <c oughs> ถ้าเราทําทั้งบุญและและการกระทาบาปควบคู่กันไปแต่ถ้าเรายังไปทําบาปอยู่บ้างบางครั้งบางคราวหรือบางโอกาสมากน้อยเวลาตายไปนี่จิตสุดท้ายมันจะอยู่ตรงผลบวกผลลบของบุญและบาปนี่แหละถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะเลงไปสู่สุกติ ถ้าบาปมากกว่าบุญก็จะหนึงไปสู่ทุกขติไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจิตสุดท้ายเราเรามาแต่งกันไม่ได้เมือว่าเราทําบาปมาทั้งชาติเงี้ยพอจิตสุดท้ายเรามาแต่งให้มันเป็นบุญขึ้นมาแต่งยังไงก็แต่งไม่ได้เหมือนกับบัญชีที่เรามีในธนาคารเนี่ยทั้งปีทั้งชาติเรามีแต่กู้เงินมาธนาคารเงินฝากไม่ค่อยเอาใส่เลย พอเวลาจะถอนเงินบอกว่าขอปรับบัญชีให้เป็นบวกได้ไหมเขาบอกทาไม่ได้หรอกก็คุณมีแต่ถอนอย่างเดียวมีแต่กู้อย่างเดียวแล้วคุณจะมาขอให้เป็นให้มีเงินฝากมากกว่าเงินกู้ได้อย่างไรมันต้องเป็นการปรับตั้งแต่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้นักปฏิบัติธรรมชาวพุทธเรามักจะคิดกันอย่างนี้ว่าเออไม่เป็นไรทไปเถิดบาปเดี๋ยวจิตสุดท้ายคิดดีถ้าอย่างเดียวเท่านี้ คิดดีแล้วก็จะไปสวรรค์ทันทีมันคิดไม่ได้สิมันเคยคิดแต่ทำบาปอยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่ดีๆมันจะมาคิดทำบุญได้ยังไงมันไม่เคยคิดทำบุญเลยคิดไม่เป็นไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าทำบุญทากันยังไงทำไปทำมาไม่มใช่เป็นของง่ายที่จะมาปรับบัญชีในจิตในวาระจิตสุดท้ายเราะนั้นอย่าไปหลงคารมของพวกขี้เกียจทั้งหลายพวกที่ขี้เกียจทาบุญชอบทาบาป เราก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทําใจให้ให้ดีในตอนที่เราตายจิตสุดท้ายก็แล้วกันถ้าคนไม่เคยทําบุญในจิตสุดท้ายจะเป็นจิตที่ว้าวุ่นขุนมัวมากจะมีแต่เรื่องหวาดกลัวหวาดเสียวเนื่องจากวิบากกรรมที่ได้ทำไว้มันจะมาหลอกมาหลองอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีเวลามานั่งคิดคิดดีทดําดีพูดดีได้ถึงแม้จะทําก็ถ้าไม่ทันการใชล้วมันสายไปเสียแล้ว เราต้องรีบ ท, ทําเสียก่อนตั้งแต่เรายังไม่ตายพยายามรักษาบัญชีบุญของเราให้มันมากกว่าบัญชีบาปเอาไว้ <Yeah. S 1> วิธีสังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เรานอนหลับนี่ถ้าบัญชีบุญมากกว่าบัญชีบาปเราจะฝันดีมากกว่าฝันร้ายถ้าบัญชีบาปมากกว่าบัญชีบุญเราจะฝันร้ายมากกว่าฝันดีเงินถ้าเราฝันร้ายอยู่บ่อยๆนี่มันเป็นการบ่งบอกว่าบัญชีเรากำลังติดลบนะ บัญชีบาปของเรามีมากกว่า บ, บัญชีบุญรีบมาแก้ไขเสียตั้งแต่ตอนนี้อย่าไปรอให้ถึงเวลา เ, ออเขาพาไปเข้า ICU แล้วค่อยมาทําตอนนั้นจะไม่ทันการออนี่คืออา น, นิสงส์ของบุญที่จะเกิดขึ้นขั้นที่สองเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเราก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณไป แล้วดวงวิญญาณนี้ก็จะไปอยู่ในสุขคติหรือทุกขติถ้าบุญมากกับบาปก็จะไปอยู่ในสุขคติมีอยู่6ชั้นด้วยกันหดาวด้วยกันเหมือนกันโรงแรมที่มี5ดาวหดาวราคาที่ไปอยู่โรงแรมแต่ละดาวมันก็ต่างกันราคาถ้าดาวต่ำราคาก็ไม่มากถ้าดาวสูงราคามันก็แพงขึ้น ก็เหมือนกับการทำบุญทาบุญมากทําบุญน้อยก็จะได้ดาวที่สวรรค์ที่เป็นมีดาวสูงหรือดาวดา ว, ดาวต่ำดาวน้อยกว่ากันนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วโดมิญญาณเราไม่ได้ตายเราก็จะไปอยู่ในสวรรค์จนกว่าบุญที่เราได้สะสมไว้หมดสวรรค์นี้ก็เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ย ว, วเราเอาไปต่างประเทศัแล้วก็เอาเงินไปเที่ยวกัน พอเงินหมดเราก็ต้องกลับบ้านอยู่ต่อไปไม่ได้ไม่มีเงินใช้ก็ต้องกลับมาบ้านมาทำงานใหม่มาเก็บเงินใหม่มาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่มาสร้างมาสร้างเงินทองใหม่เพื่อจะได้เอาเงินไปเที่ยวใหม่ฉนันได้ดวงวิญ ญ, ญาณที่ไปเกิดในสวรรค์พอบุญที่ส่งไปหมดลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารามีมีมีแต่สิ่งที่ดีมา พามาให้เกิดมาเกิดมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยที่ฐานะที่ดีมากน้อยอยู่ที่บุญที่ได้ทําไว้ในอดีตทํามากทําน้อยเพราะบุญที่เราได้ทํานี่เหมือนกับเป็นเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะสามารถไปเบิกเงินที่เราได้ฝากไว้ผ่านธนาคารบุญได้มาเกิดเป็นคนมีฐานะร่ำรวย มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เราได้ทํำอาไว้มากน้อยเท่าไหร่มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสมีอาการครบสามสิบสองไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบือดเบียน เ, เป็นต้นนี่คืออนิสงส์ที่จะตามมาขั้นที่สามอนิสงส์ที่เกิดจากการได้ทําบุญมากกว่าทําบาสนั้นพยายามหมั่นคิดอยู่เรื่อยว่า ตอนนี้จะไปทำบุญที่ไหนดีถ้าทำได้ทุกวันยิ่งดีใหญ่เหมือนกับชาวบ้านบางที่นี่เขาจะมีโอกาสได้ทาบุญทุกวันเพราะมีพร ะ, ะเดินผ่านบ้านเขาทุกวันเขาก็จะทำบุญใส่บาตรมีมากมีน้อยเขาก็สามารถทำได้แม้แต่ข้าวเปล่ า, าบางคนเขาก็ใส่ข้าวเปล่าเขาก็ได้บุญเขาก็ทำไปตามกำลังของเขาดีกว่าไปทำบาปทำบุญแม้แต่เลก็กๆน้อยๆก็ดีกว่าไป ทำบาป ด, าดีกว่าไม่ทำบุญเลยบุญเล็กๆน้อยก็สะสมได้ให้เป็นบุญมากขึ้นมาได้ถ้าเราทำทำทุกวันทุกวันเนี่ยีหนึ่งมีต้องสามวันมันก็จะเป็นบุญที่มากขึ้นไปตามลำดับดังั้นพยายามคิดในทางบวกคิดบวกก็คือคิดในการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมอย่าไปคิดในทางลบ ก, ก็คือละการการกทำบาปทั้งปวง อย่าไปคิดในการกระทาบาปให้คิดในการละการกระทาบาปแล้วการเวียนว่าตายเกิดของเรานี้จะปลอดภัยจากการต้องไปเกิดในทุกขติไปเกิดในอบายทุกภพทุกชาตินี้จะเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีที่มีวาสนาบารมีมีมีอนิสงส์ที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงมีผิวพรรณผ่องใสเบิกบานมีฐานะการเงิน การทางที่มั่งคั่งแต่ก็ยังต้องมาเจอกับความทุกข์ทุกครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันไม่ว่าจะเกิดดียากดีมีจนเกิดสูงเกิดต่ำเราก็ยังต้องมาเจอกับการแก่การเจ็บการตายเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดมาก็คือจะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพัดพลาดจากกันเจอกับสิ่งที่เราไม่ต้องการจะพบ เจอกับบุคคลที่เราไม่ปรารถนาะที่อยากจะเจอแต่วิบากมันมีอยู่มันก็จะทำให้เราต้องมาเจอกับสิ่งต่างๆที่เราได้กระทำเอาไว้ mm hmm. ถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ต่างๆเลยอยากจะให้หลุดพ้นจากความทุกข์ mm hmm. ก็ต้องยุติกา ร, mm hmm. ก, ารการเกิดอยากกลับมาเกิดอีกต่อไป mm hmm. การที่เราจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องคิดมีสัมมาสังกัปปข้อที่สามที่เราต้องคิดกันอยู่เรื่อยๆ mm hmm. ก็คือ ให้สักพอกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ <Yeah. S 1> กำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆปัญหาความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นเอง <Yeah. S 1> นี่คือข้อที่สนี่สาคัญที่สุดข้อที่สานี้เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกุก มาสั่งสอนวิธีสักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเราก็จะไม่รู้จกักวิธีกันเราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปอยู่เรื่อยๆต้องกต้องเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดอยู่เรื่อยๆทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพากจากกันแต่ถ้ายุคใดสมัยใดที่เราได้มาเกิด มาพบกับพระพุทธศาสนายุคนั้นเราก็จะเรียนเรียนรู้วิธีซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุ่สุดเพื่อยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นยุคนี้สมัยนี้ที่พวกเราได้มาเกิดนี้เป็นยุคทองของของพวกเราเป็นโอกาสทองที่นานๆานจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งก็ได้มาได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรายุติการการมาเกิดกัน เพราการมาเกิดนี้เป็นทุกข์เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องมาชำระกําจัดตัวที่พาให้เรามาเกิดกันก็คือตันหาความอยากสามประการด้วยกันการมาตัหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาการมาตันหาก็คือความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอยากจะหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องมีร่างกายถ้าเราอยากจะดูหนังฟังเพลงเราก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือ เ ร, เราก็ต้องไปเรากต้องไปเกิดต้องไปมีร่างกายมาแล้วแล้วความอยากนี้ต่อให้ได้ทำตามความอยากมากน้อยเพียงไรมันก็ไม่หมดพอพอตายไปความอยากอยากเสพรูปเสียงกลิ่นก็ยังอยู่ในใจมันก็จะเป็นตัวดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดอยู่ไดเรื่อยเอยฉะั้นถ้าเราไม่อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีร่างกายของมนุษย์เราต้องหยุดการมาตัญหาให้ได้การมตัหา คือการอยากจะเสื่มรู้เสียงกลิ่นรสผดทพัชชนิดต่างๆวิธีจะสักพอรกรรมฐันหาให้หมดไปจากใจก็คือเราต้องใช้เครื่องซักพอกที่พระเจ้าได้ส่งคนทบซักพอกใจเรียกว่าภาวนาเครื่องซักพอกใจเรียกว่าภาวนาเหมือนเครื่องซักผ้าสมัยนี้ที่เราใช้กันเราเวลา เ, าเดี๋ยวนี้เราซักผ้าเราไม่ต้องใช้มือของเราแลไม่ต้องมานั่งขยี้มานั่งมาให้เนหน็ดแเหนื่อยมีเครื่องซักผ้า เสียเงินไปซื้อเครื่องมาทักเครื่องหนึ่งก็สามารถเอาเสื้อผ้าใส่ไปให้มันซักให้เราได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็ส่งค้นพบเครื่องซักฟอกใจเครื่องซักฟอกใจนี้เรียกว่าการภาวนาจิตตภาวนาจิตตะภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็แบ่งเป็นสองขั้นตอนเหมือนกับเครื่องซักซักผ้าเขาก็แบ่งเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกก็ซักขั้นที่สองก็ปั่นให้มันแห้ง อันนี้ก็เหมือนกันถ้าตอนแรกเราก็ทำใจให้สงบเวลาทำใจให้สงบตัญหาความอยากที่ที่เกิดขึ้นอยู่ในใจก็จะหยุดทำงานชั่วคราวเพราะตัญหาความอยากต้องอาศัยการทำงานของใจคือต้องอาศัยความคิดของใจถ้าใจเริ่มคิดเมื่อไหร่เริ่มสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อไหร่ตัญหาก็จะเกิดขึ้นตามมาทันทีแต่ถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้หยุด ใจไม่ให้ไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ตัณหาความอยากก็เกิดขึ้นไม่ได้ตอนที่เข้าสมาธิจิตนิ่งสงบนี้จึงเกิดความสุขอย่างมหาสั จ, จ์ใจเพราะความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากนั้นหยุดทำงานชั่วคราวเราจะรู้ว่านี่แหละคือถ้าไม่อยากจะไปเกิดก็ต้องทำใจให้นิ่งให้สงบให้ไม่มีความอยากอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่สมาธินี่เป็นของ ไม่ยั่งยืนไม่ไม่ถาวรเวลาเข้าสมาธิก็สงบแต่เวลาออกจากสมาธิมาจิตก็ต้องเริ่มคิดเริ่มสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากจะเสษ ก, กามาตัญหาก็โผล่ขึ้นมาใหม่ทันทีถ้าอยากจะให้การมาตัญหาตายไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาที่พระเจ้าทรงค้นพบว่า ปัญหาความอยากนี้เป็นตัวที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆและสิ่งที่เราอยากจะไปเสพมันก็เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะมันจะพาให้เราไปเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการมีร่างกายทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกก็อยากไปเสพทุกครั้งที่อยากจะไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปกินไปดื่มหรือไปทําอะไรตามความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจว่า เป็นการพาไปหาความทุกข์กันพาไปเวียนว่ายตายเกิดกันพาไปสู่การเกิแก่เจ็บตายกัน mm hmm. พอมีปัญญาคอยสอนนี้ทุกครั้งทุกครั้งที่อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรก็ละ ง, งับมันทันที mm hmm. เหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะดื่มเครื่องดื่มชนิดหนึ่งแต่เรารู้ว่าดื่มไปแล้วจะเป็นโรคมะเร็งเงี้ยเราจะไม่กล้าดื่มเลย mm hmm. แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็คิดว่าเป็นเครื่องดื่มที่พิเศษดื่มแล้วมีความสุข แต่พอเรารู้ทีหลังว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ทําให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมารับประกันได้ว่าจะไม่มีใครกล้าดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นอีกต่อไปฉันใดกให้เราคิดว่าการที่เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันจะพาให้เรากลับมาเกิด อ, อีกเมื่อกลับมาเกิดก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆตามใดาที่ยังมีความอยากอยู่ในใจ เราต้องหยุดด้วยปัญญาถ้าเห็นว่าเป็นการใ น, นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขรูปเสียงกลิ่นลดแม้จะมีความสุขมันก็เป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นเหยื่อ <c oughs> เป็นเหยื่อที่โอชะแต่พอปลาไม่ฉลาดไปฮุบเหยื่อเขาก็เจอตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วก็ถูกดึงขึ้นจากน้ําไปสู่หม้อกระทะต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไปเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดเราก็จะถูก ตะขอเบ็ดของตันหาความอยากที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดกแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนี่คือปัญญาเราต้องเห็นว่าการกระทําตามความอยากต่างๆนําไปสู่ความทุกข์เบื้องต้นอาจจะได้ความสุขแต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวแล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะไม่กล้าเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสติดต่อไปความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นวสก็จะหมดไปนี่เป็นการ ยุติการกลับมาเกิดกลับก็เวียนว่ายตายเกิดต้องใช้ปัญญาขั้นที่สองขั้นแรกต้องใช้สติสมาธิหยุดหยุดความอยากไว้ชั่วคราวก่อนด้วยการเข้าสมาธิแล้วพอได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาก่อนที่จะได้สมาธิใจจะไม่มีกําลังหยุดความอยากได้ต้องหยุดความอยากด้วยด้วยสติก่อนด้วยสมาธิก่อน แล้ว จ, จะมีกาลังสนับสนุนปัญญาเวลาปัญญาสอนให้หยุดความอยากเ พ, า เ, เพราะเห็นว่าการทําตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์ก็สามารถหยุดได้ทันทีนี่ก็คือข้อที่สของสัมมาสังกัปโปคือให้คิดสักพ้อกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราสามารถเจริญสัมมาสามังกโปคือความนําหรือชอบทั้งสามข้อนี้ได้ ใจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญและมีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างทื่นเชิงต่อไปตามลำดับนี่ก็คือเรื่องสัมมาสังกรปร ค, ความนำหรือชอบที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พ อ, พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้เพราะในลำดับต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันเราจะมาซักฟอกจิตใจขั้นที่หนึ่งกันซักฟอกใจด้วยการ เารสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เข้าฌานพอใจสงบใจมีความนิ่งความสงบแล้วตันหาความอยากก็จะหายไปพอตันหาความอยากหายไปความสุขก็เกิดขึ้นมาทันทีความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การกำจัดความอยากเท่านั้นเองพอกำจัดความอยากได้แล้วหยุดความอยากได้ชั่วคราวความสุขก็จะเกิดขึ้นมาในใจของพวกเราทันที ดังนั้นต่อไปนี้เราจะมานั่งกันนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดคิดให้ได้ถ้าใจหยุดคิดแล้วใจจะใจจะสงบใจจะมีความสุขใจจะมีอุเบกขาใจจะสามารถควบคุมกิเลสตัณหาได้เวลาออกจากสมาธิมาวิธีที่จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบเวลานั่งก็ต้องมีสติกำกับ ใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบนี้เราเรียกว่ากรรมฐานมีหลายหลายชนิดด้วยกันแตที่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆนี้ก็มีอยู่สองสามชนิดที่เราใช้กันอยู่เช่นใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ได้หรือใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ให้มีสติอยู่กับพุทธโธพุทธโธไป หรือให้มีสติอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปที่ปลายจมูกหรือถ้ายัางดูลมไม่ได้ยังบริกรรมพุทโธไม่ได้เพราะความคิดยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจนั่งหลับตานั่งในท่าสมาธิแล้วก็สวดมนต์บทไหนที่เราจำได้ไปแทนที่จะใช้พุทโธหรือแทนที่จะใช้ดลมหายใจเราก็ใช้บทสวดมนต์ไปก่อนสวดไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยว ความคิดฟุ้งซ่านต่างๆก็จะเบาบางลงพอความคิดเบาบางลงพอสามารถที่จะมาดูลมหายใจเข้าออกได้หรือบริกรรมพุโทโธได้ก็เปลี่ยนมาเป็นบริกรรมพุโทโธดูลมหายใจเข้าออกต่อก็ได้แต่วิธีที่จะดีกว่านี้ก็คือเราต้องหมั่นเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งจะดีกว่าพยายามฝึกสติทั้งวันทั้งคืนเลย เราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าเราจะทำอะไรเราสามารถมีการเลื่นสติได้ควบคู่กันไปได้เช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธกำกับใจได้คอยควบคุมใจอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุโทโธไปหรือถ้าไม่อยากจะใช้พุโทโธก็ใช้การเฝ้าดูการกระทำของร่างกายก็ได้ร่างกายกำลังทำอะไรก็เฝ้าอยู่อยู่กับเรื่องนั้นอย่างเดียว กำลอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ําอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้รับประทานอาหารก็เหมือนกันทําอะไรก็เหมือนกันที่ไม่ต้องใช้ความคิดอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับงานที่เราทําอยู่เพียงอย่างเดียวแล้วเวลามานั่งสมาธิใจเราจะไม่ฟุ้งใจเราจะสามารถนั่งดูลมได้บริกรรมพุโทโธได้เลยแล้วเวลานั่งก็ต้องผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานไปตลอดโดยกล่าวจิตจะนิ่งจะสงบจิตจะว่างเย็นสบาย ถ้ายังไม่นิ่งไม่สงบไม่สบายไม่ว่างอย่าเพิ่งไปหยุดอย่าเพิ่งไปปล่อยกรรมฐานถูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆถึงแม้จะเริ่มเกิดอาการมีความสงบขึ้นบ้างแล้วเริ่มมีความสุขมีปิติขึ้นมาบ้างแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดอย่าไปสนใจกับอาการที่เกิดขึ้นจะเป็นสุขหรือจะเป็นปิติก็ตามให้รู้เฉยๆว่าเป็นอย่างนั้นแล้วให้ให้กลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธแล้วอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆ จนกวาจิตจะนิ่งสงบเข้าสู่ความว่างอย่างเต็มที่ตอนนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรตอนนั้นก็จะอยู่กับอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุข น, นี่คือวิธีการของการนั่งสมาธิที่พวกเราจะมานั่งกันในวันนี้ซึ่งมีเวลาประมาณสัก23นาทีด้วยกันต่อไปนี้ขอให้เจริญสติให้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งไปจนกว่าจะหมดเวลาของการนั่งสมาธิ ตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งสงบไหมถ้าสงบก็ให้จดจาวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลามานั่งก็ใช้วิธีเดิมก็จะสามารถทําให้ใจสงบได้เหมือนกับวันนี้อย่าไปอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ทําให้มันสงบต้อง จ, จดจําวิธีนั่งของวันนี้แล้วใช้ต่อไปในคราวหน้า ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกําลังน้อยมันฝึกสติก่อนมานั่งบ่อยๆเราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเราไม่มีคาจาเป็นจะต้องคิดอะไรก็ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือผูกใจไว้อยู่กับการกระทาของร่างกายเฝ้าดูร่างกายไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลามานั่งสมาธิข่าวต่อไปก็จะสงบได้ง่ายขึ้น ถ้าต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะถาวารรวาหาปูราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปะกะปิอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจะโตสพัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยถามณนโชติระโสยถาสัพพิติวิวาจันโตสัพพโลกวินาสตูมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจจังวุฒาปะจายโนจตารูธรรมวทานเต อายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคําตอบพอหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วย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 จากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ244ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์306 YouTube ดร V 48วิทยุออนไลน์8 Clubhouse 1นากุฏิ188รวมทั้งหมด795ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนากุติค่ะ พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเราสามารถถือว่าเปรียบเป็นพระพุทธพระพุทธและพระสงฆ์ได้หรือไม่เพราะอะไรคะไม่ได้หรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นถ้าจะเปรียบพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์นี้ต้องเปรียบที่การเห็นธรรมการปฏิบัติเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอริยสงฆ์สาวกพระธานนี้เป็นเพียงแต่ เป็นส่วนประกอบของร่างกายของท่านเท่นานั้นเองไม่ใช่ตัวที่แท้จริงของท่านตัวที่แท้จริงของท่านคือพุทธ therapy, ธรรมะสังขะที่จะเห็นได้จากการปฏิบัติธรรมคาถามจากผู้รับฟังนักกุฏิค่ะถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากโกหกตัวเองควรเริ่มปฏิบัติจากตรงไหนก่อนครับก็หาปัสตอร์มาปิดปากไว้นะ คำถามจากผู้รับฟังนะ้กุติค่ะมีคนมีคนฝากถามว่าถ้าหากพระบินทบาทโดยท่านนั่งซาเล็งมาเราควรจะถอดรองเท้าด้วยหรือไม่คะตามสะดวกโดยโดยธรรมเนียมก็ถือว่าการใส่บาทควรจะถอดรองเท้า แ, แล้วแต่สมัยนี้บางคนเขาก็ถอดบางคนก็ไม่ถอดการถอดรองเท้านี้เป็นการแสดงความเคารพ ผู้มีผู้มีผู้ทรงศรีลเรามีศีลน้อยกว่าผู้ทรงศรีลเราก็ให้ความเคารพโดยไม่ยืนที่สูงกว่าท่านถ้าเราท่านเดินมาใส่เดินมาเท้าเปล่าแล้วเรายืนใส่รองเท้านี่แสดงว่าเรายืนที่สูงกว่าคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ลูกชายเสียชีวิตสิบกว่าปีที่แล้วอยากสักรูปลูกชายที่หลังแต่แม่บอกว่าวิญญาณเขาจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดเจ้าค่ะอยากยังอะไรเนาะอยากสักรูปรูปลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วเราไม่เกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วเป็นสมบัติของบุญของกรรมไปบุญกรรมเป็นผู้จัดการส่วนเราเราเพียงแต่เราเลิกถึงเขาได้เท่านั้นเองแล้วก็ส่งบุญไปให้เขาก็ได้ คำถามจากทาง youtube ดร V ค่ะจะหยุดคิดได้อย่างไรเครียดงานไม่ถึงเป้าเลยค่ะก็ใช้พุโทโธแทนให้คิดถึงพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะจําเป็นไหมครับที่เวลาเราไปงานศพก่อนออกมาต้องเอาน้ํามนต์ที่เขาวางไว้หน้างานพรมหัวก่อนเพราะจะได้ไม่เป็นไรมันเป็นอะไรที่ไหนเราไปงานศพ ไปงานศพกไปเป็นได้ปัญญาให้ไปเห็นความตายได้ระลึกถึงความตายได้เจริญโมโนนุสติได้สติได้ปัญญาไม่เห็นจะเป็นจะต้องเอาน้ามาพมผมให้เสียเวลาเลยอันนี้เป็นความเชื่อเทนั้นเองคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะ ปฏิบัติทำเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกๆเช้าทุกๆเย็นก่อนนอนเวลานั่งจิตออกนอกบ้างแล้วก็ดึงเข้ามาแป๊บหนึ่งก็ออกไปอีกกว่าจะสงบถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่ายังปฏิบัติไม่ก้าวหน้าใช่ไหมคะแต่ก็ไม่เคยท้อค่ะตั้งใจจะทําไปเรื่อยๆค่ะก็ก้าวหน้าในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางก็พยายามก้าวต่อไปเรื่อยๆให้มีสติให้มากขึ้นให้มีสัมปชัญญะ ให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานได้นานขึ้นได้บ่อยได้บ่อยขึ้นอย่าปล่อยให้หายไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คาถามจากทาง a c e b o o กค่ะการตัดไม้ยืนต้นต้นไม้ใหญ่เป็นบาปหรือไม่เจ้าคะไม่บาปหรอกเพราะไม่มีดวงวิญญาณสิ่งใดที่ไม่มีดวงวิญญาณนี้เขาไม่มีความรู้สึกรับรู้อะไร คำถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะสอบถามเรื่องทดแทนบุญคุณพ่อแม่ค่ะถามแค่นี้เหรอถามแค่นี้เพราเราทุกคนเกิดมาก็มีหนี้ตั้งแต่เกิดมานี่ร่างกายของเรานี่เป็นของพ่อแม่สร้างให้เราขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อแม่เขาเราก็ไม่สามารถที่จะมีร่างกายนี้ได้ก็เหมือนกับเวลาเราไปซื้อรถยนต์นี่เราก็เป็นหนี้ธนาคารใช่ไหมเหรอ เอารถออกมาก่อนแล้วธนาคารเข้าจ่ายให้เราก่อนแล้วเราก็ต้องใช้หนี้ธนาคารอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายเราก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่พ่อแม่เป็นคนออกออกมาให้เราท่านเป็นคนจ่ายค่าค่าสร้างร่างกายนี้มาให้กับเราค่าเลี้ยงดูร่างกายค่าอะไรต่าง ๆ, ยๆเยอะแยะไปหมดยี่สิกว่าปีมั้งกว่าจะเป็นกว่าที่เราจะสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ เราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากยิ่งกว่าธนาคารที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดพระเจ้าบอกว่าบุญคุณของพ่อแม่นี้ต่อให้ใช้มากมายขนาดไหนก็ใช้ไม่หมดน <Yeah. S 1> ั้นต้องอย่าลืมบุญคุณเป็นหาักฐาดคนที่ลืมบุญบุญคุณนี่เป็นคนชั่วคนไม่ดีคนเห็นแก่ตัวคนไม่อยอมใช้หนี้พูด ง, ง, ง่ายๆถ้าคนเสียเครดิตต่อไปไปซื้ออะไรก็ไม่มีใครเขาขายให้ถ้าจะใช้เครดิตต้องเอาเงินสดอย่างเดียว คำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะดูแลแม่ท่านล้มสมองท่านล้มสมองได้รับกระทบกระเทือนท่านชอบเดินออกออกไปนอกบ้านตอนนี้ท่านติดเตียงเจาะค อ, อนอนนอนสใส่สายยางให้อาหารเหมือนเจ้าหญิงดิทาบางครั้งก็ลืมตาตอนนี้ดูแลท่านได้ฟังได้ฟังธรรมะสวดมนต์ รู้สึกสบายใจขึ้นแต่ไม่ค่อยได้นั่งสวดที่ห้องจะสวดเวลาทำอาหารเปิดธรรมะในยูทู e ให้ท่านฟังด้วยบ่อยๆเป็นประจำได้ไปถวายสังฆทานแล้วให้คุณแม่จับแล้วบอกท่านว่าจะไปถวายสังฆทานให้แล้วท่านจะได้รับการจากการทำบุญนี้หรือไม่เจ้าคะถ้าท่านยินดีด้วยท่านก็ได้รับการอนุโมทนาบุญถ้าเป็นถ้าไม่ได้เป็นของของท่านถ้าเป็นของของท่านแล้วท่านเป็นคนนาเล่ บอกว่าช่วยเอาของเอาเงินนี้ไปซื้อของไปถวายพระท่านก็จะได้บุญทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเงินของเราเป็นความนำริของเราเราเป็นคนได้บุญแต่บอกแม่แม่เขายินดีด้วยเขาก็ได้บุญจากการอนุโมทนาบุญของการกระทำของเราเป็นบุญคนละชนิดกันอนุโมทนาบุญกับทานที่เกิดจากบุญที่เกิดจากการทําทานคนละอย่างกันแต่ก็เป็นบุญเหมือนกันมีความสุขเหมือนกัน การที่สองต่างกันคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะขอกราบถามเรื่องความหมายของทําเอกครับทําเอกค่ะเอาไปบริพชานาาณุกรมดูซิ <c oughs> เอ ก, กว่าหนึ่งไม่ใช่เลยค่ ะ, คะ เ, อเอกตีโทแล้วตีโทมัน <c oughs> มีหลายความหมายเถามมาแบบนี้ก็ต้องตอบแบบนี้เล <c oughs> <c oughs> คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะโยมบอยได้ปฏิบัติพุทธโธตามที่พระอาจารย์เมตตาครับโยมได้เริ่มใหม่กลับมาจำถึงวิธีการนั่งสมาธิที่พอสงบได้จำถึงวิธีการนั่งสมาธิที่พอสงบได้เมื่อวานที่ฟังธรรมและนั่งสมาธิครับกายนั่งตรงกำหนดลมหายใจปลายจมูกเข้าพุทธโธออกโทเมื่อเข้าไปช่วงหนึ่ง สงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อเข้าไปช่วงหนึ่งมีอาการมีอาการวูบเข้าไปข้างในภาพสีดำเหมือนเปิดเหมือนปิดสวิตไฟมีความสงบนิ่งอยู่ภายในโยมยังรู้สึกตัวโยวมจึงกำหนดพุโทโธภายในต่อไปอยู่สภาวะนี้นะครับเรียนขอปัญญาพระอาจารย์สุชาติได้โปรดแนะนำโยมปฏิบัติถูกต้องและปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับถ้าอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆก็ถูกต้อง จนกาจะว่างทุกอย่างว่างไปหมดจิตตกลงตกล้มหลุมตกลงหลงุม ล, ล, ลงเหวอย่างี้แล้วก็จะนิ่งสงบตอนนั้นก็พุโทโธก็จะหยุดได้คำถามจากทาง y u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะสังเกตจิตชอบจับผิดคนอื่นคิดลบจะแก้อย่างไรดีคะก็เปลี่ยนมาคิดคิดลบกับตัวเราเองจะผิดกับตัวเราเองแทนทุกครั้งไปว่าเขาก็ถามแล้วมึงเป็นยังไงบ้าง รอัับมาถาถตว เ, เงคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะการภาวนาสามารถอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับได้ไหมครับคือตามทฤษฎีน่าจะได้แต่การภาวนานี้ก่อนจะได้บุญมันเหมือ น, นปลูกต้นไม้ปลูกต้นทุเรียนน่ะไม่ใช่ปลูกวันนี้ปั๊บแล้วทุเรียนมันจะออกทันทีเลยอีก5ปีส0ปีถึงจะออกถึงจะได้ผล แต่ถ้าทำบุญทำทานนี่มันปั๊บเลยเหมือนเหมือนไปสั่งอาหารที่แบ็กดอนเนล์เลยสั่งปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยยงั้นถ้าอยากจะอุทิศบุญใช้การทำทานดีกว่ารวดเร็วกว่ามั่นใจกว่าแน่นอนกว่าอาภาวร า, านี่นั่งบางทีก็ไม่สงบยังไม่เคยสงบไม ย, ยังไม่เข้าฌานนี่ยังถือว่าไม่ได้ผลยังไม่มีบุญเกิดขึ้นคำถามจากทางยูทูบด e อรวีค่ะ มรณานุสติและการตายก่อนตายปฏิบัติพิจารณาอย่างไรครับก็คิดถึงความตายอยู่เรื่อยว่าต่อไปเราก็จะต้องตายอยู่แบบคนตายอย่าไปโกรธใครอย่าไปเกลียดใครไปถางคนตายดูเขาโกรธใครหรือเปล่าเขาไม่โกรธใครเขาไม่เกลียดใครใครอยากจะทาอะไรเขาก็ปล่อยให้ทาไปคนตายปล่อยวางได้เราอยาเราอยากจะอยู่แบบตายก่อนตายเราก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางทุกอย่างใครอยากจะทำอะไรก็ทาไปใครอยากจะ ถ้าใครจะชมก็เรื่องของเขาไปนอว่าอยู่แบบตายตายก่อนตายจะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ถ้าแต่งงานแล้วเอาเงินค่าสินสอดให้พ่อกับแม่หมดเลยเพื่อเป็นการตอบแทนค่าเลี้ยงดูต่อไปจะสร้างครอบครัวตัวเองและไม่ส่งเงินเลี้ยงดูให้พ่อแม่เพราะคิดว่าพ่อกับแม่ได้ค่าสินสอดไปแล้วแบบนี้คิดถูกไหมคะไม่ถูกหรอกพระจะบอกบุญคุณของพ่อแม่นี่ต่อให้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดอี่างอย่าถือว่าเป็นเหมือนธุรกิจนะครับเพอาฉันแต่งงานแล้วก็เอาเงินสินสอดนี้ อันนี้เป็นเพธรรมเนียมความเชื่อว่าพ่อแม่เลี้ยงดูลูกมาเหนื่อยเหนยเมื่อยล้า<ม>ก็จะได้ลูกสักคนหนึ่งคนที่จะมาลูกฉันไปก็ควรที่จะมีอะไรมาตอบแทนบ้างแต่ไม่ใช่ลูกลูกไม่ได้ตอบแทนคนที่เขาได้ลูกไปเนี่ยตอบแทน ค, คำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะโชคลาภลาภผลเช่นถูกหวยมาได้จากผลอะไรครับจังหวะไงโอกาส เหตุปัจจัยแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปกําหนดได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เหมือนกับดินฟ้าอากาศเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันจะตกเมื่อไหร่มันก็ตกเวลามันไม่ตกมันก็ไม่ตกฉะั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องราวเหล่านี้เรื่องที่เป็นอนิจจเพราะมันจะทําให้เราทุกข์เวลาที่เราไม่ได้ดังที่เราใจอยากเพราะว่ามันของที่เราสั่งไม่ได้ ใหมาเาในสิ่งที่เราสั่งได้ดีกว่าทําบุญไปสวรรค์ได้ดีกว่ารักษาศีลปิดประตูบายได้จะดีกว่าภาวนาปัญญานิพานได้จะดีกว่าอันนี้ของแน่นอนกว่าเราทําเองได้ยังไม่มีคําถามใหม่คะ่ะว่าไงตัวสํารองมาแล้วมีไหมอ่าเข้ามาเวลา <c oughs> ไม่มีคําถามจะมีตัวสํารองมาถามให้ <c oughs> ครัอยู่ที่สำนักการานเหนือใช่เจ้าค่ะรบบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขออนุ ญ, ญาตสอบถามเรื่องพุทธภูมิค่ะอ่า อ, อย่างเช่นหลวงปู่มั่นหรือว่าหลวงตา ม, มหาบัวเคยปรารถนาพุทธภูมิไหมเจ้าค่ะคือคำว่าพุทธภูมิว่าคือการปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทีนี้การจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีสองวิธีหลุดพ้นได้ด้วยด้วยตนเองเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา แล้วก็อันที่สองก็หลุดพ้นด้วยการศึกษาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเป็นพระอนันตสาวกทีนี้เวลาคนที่มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนก็เลยต้องอาศัยตัวเองสอนตัวเองไปศึกษาคําทางไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าพุทธภูมิเพราะไม่มีใครไม่มีไม่มีใครสอนไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนให้ใ ห, หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องไป ไปทางพุทธภูมิไปเรื่อยๆสร้างบารมีนู่นมากมารมีนี้มากนี่มากลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนเจ้าชายสิทธัตถานนั่นก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆมาเกิดมาบวชก็ไม่มีครูอาจารย์สอนวิธีดับความทุกข์ไปนิพพานได้ก็เลยต้องทดลองผิดถูกเอาไปอดอาหาร4ี่สวันอย่างนี้เป็นต้นในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้หลุดพ้นมีแสดงว่าท่าน เป็นเป็นเป็นพุทธภูมิท่านท่านสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองแต่พวกที่มาทีหลังเนี่ยพวกที่พวกเราเนี่ยพอมาเจอพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังทำเราก็ไม่ต้องไปคำทางให้เสียเวลาถ้าเรายังไปยึดติดว่าเราต้องไปไปหาทางเอาเองเราก็จะเสียโอกาสอันดีเพราะาได้เจอทางแล้วพระพุทธเจ้าเจอคนสอนเจอเจอคนบอกทางแล้วแต่เราไม่เอาจะไปเองจะไปคำทางไปเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของความความยึดติด ที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นความโง่คนที่เคยยึดติดในพุทธภูมิเพราะเพราะว่าในยุคนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนต้องพึ่งตนเองแต่พอตอนนี้ยุคนี้มีพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วก็ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องไปพุทธภูมิไปสาวกภูมิเพราะไปถึงที่เดียวกันเหมือนรถเนี่ยไปรถบัสสิบล้อหรือไปบัสรถบัสสี่ล้อมันก็ไปถึงเหมือนกันเป้าหมายก็คือขอให้ไปถึงนิพพานเหมือนกันค่ะแล้วแล้ว เหนูเคยสงสัยคะ่ะที่มีคนบอกว่าเขาปรารถนาพุทธภูมิเขาปรารถนาจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ก็คือยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่จะช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่พุทธภูมิไหมคะหรือว่ามันเป็นความหลงอย่างหนึ่งมันเป็นหนึ่งในบาลมีสิบที่ต้องสร้างขึ้นมาถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อันนี้ก็เมตตาบารมีก็ลองช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้ไปเรื่อยๆก่อนไม่คิดถึงการช่วยเหลือตนเอง พอมาเจอพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ยอมไปปฏิบัติเพื่อตอนเองยังไม่ห่วงชาวบ้านเขาอยู่ยังไม่ช่วยงานนู้นงานนี้เขาอยู่ไม่เอาเวลาไปภาวนาแทนเพราะยังติดการสร้างเมตตาบา ร, รมีลืมไปว่านอกจากเมตตาบา ร, รมีแล้วมันมีอย่างอื่นอีกมีศีลบา ร, รมีมีเนคขมภะบา ร, รมีมีอุเบกขาบา ร, รมีมีปัญญาบา ร, รมีซึ่งบา ร, รมีเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายเวลามีพระพุทธเจ้ามาสอน นั่นแหละเจ้าค่ะกระจายขึ้นเยอะเลยเจย้าค่ะเพราะว่าสงสัยแต่ว่าโยมก็เคยเห็นบอว่าเหมือนแบบว่าพระที่ท่านมาบวชค่ะท่านบอกว่าเคยปรารถนาพุทธ ภ, ภูมิอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ละรูปเจ้าข่าว<อ>ไม่ไปปฏิบัติธรรมไงไม่ไปทุน ด, ดงไม่ไปเข้าป่ายังอยากจะอยู่กับชาวบ้านอยู่ช่วยเหลือชาวบ้านสร้างโรงเรียนสร้างสร้างโรงพยาบาลทำผ้าปุงผ้าป่าอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นกิจที่มันง่ายกิจที่กิเลสชอบ กิจที่กิเลสไม่ชาบไม่ไม่ไปทํากันคือไปปีกวิเวกไปเจริญสตินั่งสมาธิเจริญเนคขม่บารมีเจริ ญ, รรรญอุเบกขาบารมีเจริญปัญญาบารมีอันนี้ต้องต้องทิ้งทุกคนอย่างหลวงปู่มัน่นในที่สุดตอนตอนก่อนนั้นท่านก็ห่วงลูกศิษย์ท่านก็พาสอนปฏิบัตินั่งสมาธิทำบุญทําทานอะไรไปตัวท่านเลยไม่มีเวลาไปปีกวิเวกในที่สุด พอท่านอายุเจิแล้วท่านบอกว่าถ้าทําอย่างนี้ก็ไม่มีวันหลุดพ้นได้ท่านก็เลยตัดเรื่องการสร้างเมตตาบาลีไปสร้างเมตคำมัคบารมีไปสร้างอุเบกขาบารมีไปสร้างปัญญาบารมีไปปีกเว่ยอยู่ในป่าเชียงใหม่นะแล้วก็ได้บรรลุธรรมในตอนนั้นค่ะยังมีอีกนะคะเกี่ยวกับพุทธภูมิทีนี้มีครูบาอาจารย์บางรูปค่ะท่านปรารถนาว่าถ้าท่านตายแล้วให้นําร่างของท่านไว้แล้วก็ท่าน จะมาช่วยในร่างของรูปทิพย์อะค่ะกายทิพย์อันนี้มีความเป็นไปได้ไหมคะร่างกายตายไปแล้วก็เป็นนิ้นน้ำลมไฟไปแล้วจิตจิตของท่านหมายถึงตัววิญญาณจิตของท่านก็ไปไ ป, ไปตามบุญตามกรรมท่านไม่สามารถที่จะมาแปลงร่างแยกกายแย ก, แยกอะไรอย่างนี้หลายหลาร่าง ไ, ได้ใช่ไหมไ ค, คะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะค ถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะเจ้ากรรมนายเวรเราเคยทําเวรทํากรรมร่วมกันมาใช่ไหมคะคู่เวรคู่กรรมอะคะเราทำคู่เวรคู่กรรมเจ้าเวรเจ้ากรรมนายเวรคนที่เราเคยมีเรื่องปัญหากันมีทะเลาะวิวาทล้างแค้งกันไปร้างแค้นกันมาเขาก็จะโกรธเราเกลียดเราไปเรื่อยเื่ทุกภพกทุกชาติจะให้ระงรับได้ก็ต้องไม่จองเวรกันให้อภัยกันเขาจะมา เอาคืนก็ปล่อยให้เาอาคืนไปเราอยู่นิ่งๆไม่ตอบโต้เรื่เก่ามันก็จะหมดไปพอ เ, เขาได้ทําตามที่เขาอยากจะทํากับเราแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราอีกต่อไปแต่ถ้าเรายังตอบโต้เขาอยู่เขาตีเราเราก็ตีกลับอยนี้มันก็ตีกันไปตีกันมาอยู่ดีหมดไปยังยังมีอีกค่ะ เ, เอาอีกคําถามนึงก็แล้วกันน ะ, ะคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ เมื่อวันที่แปดไปน้อมกราบหลวงปู่เชลี่ณนะวัดป่าบ้านตาดได้กล่าวถึงพระอาจารย์ว่ามาว่ามาจากชนบุรีได้ฟังธรรมและตักบาตรกับพระอาจารย์สุชาติตลอดหลวงปู่ยิ้มและกล่าวสาธุเมื่อกลับมารู่ ก, ก็คิดว่าลู่กล่าวอ้างถึงพระอาจารย์โดยไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตนี้จะบาปไหมคะไม่ได้อ้างเท<จ>่าไหร่ <Okay. S 2> ก็เล่าเรื่องความจริงไปไม่นด้อ้างอะไรก็รู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้ก็บอกเขาได้ไป